บัดนี้จะแก้ไขในบทสัมมาวาจาสืบต่อไปสัมมาวาจาอันเกิดด้วยการมาระจรกุศลจิตเป็นโลกีก็มีประดุษนางสุชาดาอันเป็นน้องสาวแห่งวิสาขามาหาอุบาสิกานางสุชาดานั้นเป็นสภัยอนาถาบินธิกะมาหาเศรษฐีนางสุชาดานั้นประกอบด้วยมานะ ว่าเป็นลูกมหาตระกูลมีสมบัติเป็นอันมากมิได้ยำเยงพ่อผัวและแม่ผัวและสามีนางสุชาดานั้นย่อมกล่าวถ้อยคำมันญยาบช้ากล้าแข็งเป็นพรุศวาจาประกอบด้วยวจีทุจริตผิดธรรมหยาบยิ่งนักชนทั้งปวงในเรือนนั้นก็บังเกิดทุ่งเถียงทะเลาะวิวาดกับนางสุชาดานั้นเป็นโกลาโหนเ อ, อกะเลิกยิ่งนักเอกาธิวสัง อยู่มาในวันหนึ่งจึงอนาถาบินธิกามหาเศรฐีนิมนต์สมเด็จพระพุทธเจ้ากับพิกุส่์เข้าไปฉันจังหันในเรือนนั้น ส, สัทธาทางสัตว์ทางสุตตวาสมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงฟังเสียงชนทั้งหลายทะเลาะ ก, กันนั้นจึงมีพระพุทธดีกาตรัสถามอนาถาบินฑิกามหาเศรฐีว่าเหตุดังเรือชนทั้งหลาย จึงได้กล่าถ้อยคำว่าจีทุจริตผิด ธ, ธรรมเอกเะเบิกเป็นนักหนาอนาถาบินธิกามหาเส ธ, ธีก็ทูลว่าพันเตข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์นางสุชาดาผู้เป็นลูกสะพ้ยข้าพระองค์มีมานาทิฐียิ่งนักหนาด้วยว่าเป็นลูกมหาตระกูลอันมีสมบัติมากกล่าวถ้อยคำอันยาบช้ามิได้ยำเยงท่านผู้ใด ชนทั้งหลายจึงเอกระเริกเป็นโกลาหลนดังนี้ศรัทธาสมเด็จพระชินสีจึงมีพระพุทธดีกาตรัสให้หานางสุชาดามาแล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนนางสุชาดาภริยานิโลกนี้มีเจ็ดจำพวกคือวัฒกศสมาภริยาจำพวกหนึ่งโจรีสมาภริยาจำพวกหนึ่งอายาสมาภริยาจำพวกหนึ่ง มาตาสมาภริยาจำพวกหนึ่งภักินีภริยาจาพวกหนึ่งสหายสมาภริยาจำพวกหนึ่งทาสีสมาภริยาจำพวกหนึ่ ง, งเป็นเจ็ดจำพวกดังนี้นางสุชาดาจะพึงเป็นภริยาดังรือสาธูติปฏิสุนิตตวานางสุชาดารับพระพุทธดีกาแล้วจึงทูลว่าพันเตภคะวา ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีภาคข้าพระพุทธเจ้าของอาราธนาพระองค์จงตรัสเทศนาภริยาเจ็ดประการให้วิจตฐานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการบัดนี้เถิดภคาวาสมเด็จพระพุทธองค์จึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนนางสุชาดาภริยาผู้ใดมีใจคิดร้ายในสามีแห่งอัตมาคือแห่งตน หาความกรุณาในสามีไม่ได้ย่อมกระทำมิให้เป็นประโยชน์แก่สามีและมีแต่โสมนัสยินดีในบุรุษทั้งหลายอื่นย่อมดูหมิ่นแก่สามีแม้ว่าสามีนั้นถ่ายเอามาเป็นภริยาก็ดีก็มิได้รู้จักคุณสามีย่อมควนขวายแต่ที่จะฆ่าสามีเสียภริยามีสภาวะเห็นปานดังนี้ตถาคตตรเทศนาชื่อว่า วัตกาสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุดดังเป็นข้าศึกเป็นเวรแก่สามีอีกประการหนึ่งภริยาคนใดประกอบด้วยโลภนอกใจสามีและลักเอาทรัพย์อันสามีได้เมื่อด้วยกสิกรรมวานิชกรรมได้ด้วยสิปรกรรมทั้งปวงก็ดีภริยามีสภาวะ ด, ดังนี้ตถาคตรัสเทศนาชื่อว่า โจรีสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุดดังว่าโจรประการหนึ่งภริยาคนใดประกอบด้วยความเกียดคร้านมีแต่จะนั่งจะนอนมิได้กระทำการงานทั้งปวงพรุษวสาวนังวะะัฏติน้ำใจร้ายกาศกล่าวถ้อยคำอันหยาบช้าข่มเหงใช้สามีให้กระทำการทั้งปวง และบังคับใช้สามีและมิให้สามีว่ากล่าวอัตมาได้ดูก่อนนางสุชาดาภริยามีสภาวะปานดังนี้ตถาคตตรัสเทศนาชื่อว่าไอยาสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุดเป็นเจ้าแห่งสามีประการหนึ่งภริยาคนใดประกอบด้วยใจกรุณา กระทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่สามีแห่งอัตมาในการทั้งปวงและรักใคร่สามีอุตส่ารักษาพยาบาลสามีนั้นดุจมารดาอันมีใจกรุณาและปฏิบัติบุตรชายนั้นภริยาอันมีสภาวะปานดังนี้ตถาคตตรัสเชสนาชื่อว่ามาตาสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุจมารดาแห่งสามี ประการหนึ่งภริยาคนใดมีความละอายแก่บาปกลัวแก่บาปและเคารพยำเกรงแก่สามีดุดน้องหญิงอันเคารพยำเกรงแก่พี่ชายนั้นภริยาอันมีสภาวะปานดังนี้ตถาคตตรัสเทศนาชื่อว่าภค ah ินีภริยาว่าเป็นภริยาดุดน้องหญิงประการหนึ่ง ภริยาผู้ใดมีตระกูลและประกอบด้วยศีล น, น้ำใจซื่อตรงมีวัตตาปฏิบัติแก่สามีมีใจชื่นชมยินดีต่อสามีอยู่ตราบเท่าสิ้นชีวิตประดุษสหายอันดีร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนั้นดูก่อนนางสุชาดาภริยาอันมีสภาวะปานดังนี้ตถาคตตรเทศนาชื่อว่าสหายยสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุษสหาย ประการหนึ่งภริยาใดสามีคุกคามจดาดตีด้วยไม้ก็ดีด้วยมือก็ดีมิได้คลึงเครียดมิได้มีน้ำใจคิดร้ายมิได้ครึ่งโกรธและอดซึ่งโทษแห่งสามีประพฤติตามอำนาจแห่งสามีภริยาอันมีสภาวะปานดังนี้ตถาคตตรเทศนาชื่อว่าทาสีสมาภริยาว่าเป็นภริยาดุทาสี ดูก่อนนางสุชาดาภริยาทั้งเจดจำพวกนี้ย่อมมีในโลกภริยาสามจำพวกที่ตถาคตตรสเทศนาแสดงในหนหลังคือวัตกาสมาภริยาและโจรีสมาภริยาและออยาสมาภริยาทั้งสามจำพวกนี้กายสักพัธาครันจุติจากอัตภาพชาตินี้แล้วก็จะได้สวยทุกในอบายภูมิ ด้วยผลแห่งกรรมที่ตนได้กระทํามิชอบนั้นอุริยาสี่จำพวกนี้คือมาตาสมาภริยาและพักนีสมาภริยาและสหายาสมาภริยาและทาสีสมาภริยาภริยาทั้งสี่หมู่นี้รันจุติจากอัตภาพชาตินี้แล้วก็ได้ไปสวยสมบัติในเทวโลกด้วยผลแห่งกรรมที่ตนได้กระทำชอบนั้น สาธรรมกระถังสุตวาเมื่อนางสุชาดาได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาดังนี้แล้วก็ถวายในมรสการพระบาทยุคนแห่งสมเด็จพระทศพลและทูลว่าพันเตภคะวาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพข้าพระพุทธเจ้าอุทิศจำเพาะต่อพระพุทธรัตนธรรมรัตนสังครัตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยตะวันนี้ไปตราบเท่าจนสิ้นชีวิต ขอพระองค์จงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสิกาในพระศาสนานี้เถิดนางสุชาดาถวายอัตมาเป็นอุบาสิกาตั้งอยู่ในพระไตรสรนาคมแล้วนางก็สละมิจฉาอาจารย์นั้นเสียมิได้กล่าวมิจฉาวาจาเว้นจากมิจฉาวาจาด้วยการมาเพรจรกุศลจิตดังนี้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในสัมมาวาจา อันเป็นโลกิยาหมักอริยาสาวิกาพระอริยาสาวกทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นอาธิท่านเว้นจากมิจฉาวาจาวิรติเจตสิกก็บังเกิดด้วยโสดาปฏิมัคจิตนั้นชื่อว่าโลกุตรสัมมาวาจาเป็นสมุเทเฉตวิรัตตัดมิจฉาวาจานั้นขาดทีเดียวมิได้บังเกิดสืบต่อไป จุดพระอาริยะสาวกทั้งหลายในเมืองสาวัตถีนั้นครั้นถึงการอันเป็นนักสัจจะิกคนพานทั้งหลายก็เล่นการมโหรสพอันชื่อว่าพานนักสัรเลิกมโหระศพเจ็ดวันคนพานทั้งหลายกินสุราเป็นหมู่กันแล้วก็เที่ยวไปกล่าวถ้อยคําเป็นวาจาอันหาประโยชน์ไม่ได้ไปทุกบ้านต่อเมื่อใดคนในบ้านให้ทราบสิ่งศิลจึงไปบ้านอื่นโสตาปันนา คนทั้งหลายพูดถึงพระโสดาปติผลเป็นอริยาสาวกนั้นหักประตูไว้ให้รับแก่คนผ่านทั้งปวงนั้นแล้วก็ให้ไปในสถานที่อื่นพระอริยาสาวกทั้งหลายนั้นก็เข้าไปในเรือนจำเริญภาวนาพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอยู่สิ้นเจ็ดวันครั้นมโหระพนั้นวายแล้ว จึงออกไปนมัสการสมเด็จพระพุทธเจ้าและก็ทูลว่าคนพานทั้งหลายเล่นมหาหรสพบเหล่าถ้อยคําเป็นอสส พ, พิวาจามีประการต่างๆทั้งเจ็ดวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เร้นอยู่แต่ในเรือนจึงมิได้มาอุปถากพระพุทธองค์สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่าชนทั้งหลายผู้เป็นพานมิได้รู้จักประโยชน์ชั่วนี้และชั่วหน้า ในชาตินี้และชาติหน้าและหาปัญญามิได้นั้นยอมประกอบซึ่งความประมาทอยู่เป็นนิจการชนทั้งหลายผู้มีปัญญารู้จักประโยชน์ชั่วนี้และชั่วหน้าก็ยอมรักษาอัปปมาธรรมนั้นไว้ให้มั่นคงมิให้ชิบหายเสียอุปมาดังบุรุษอันรักษาทรับอันประเสริฐคือแก้วเจ็ดประการอันได้สืบสืบแห่งตระกูลแห่งอัตมา อันนี้ได้ชื่อว่าอาริยสาวกรักษาซึ่งสัมมาวาจาอันเป็นโลกุดรแก้ไขบทสัมมาวาจาแล้วแต่เท่านี้